1.16 ่งรสิบวั ส, สนุปคัณตับพัดฐานว่าด้วยสถานที่ไม่ควรเข้าจำพรรษาเรื่องเข้าจำพรรษาในโพรงไม้ข้อส0 4สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจำพรรษาในโพรงไม้มนุษย์ทั้งหลายพากันตาหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนพวกปีศาจภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเข้าจำพรรษาในโพรงไม้รูปใดเข้าจําต้องอาบัติทุกกฎเรื่องเข้าจําพรรษาบนฆ่าโคบไม้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจำพรรษาบนฆ่าโคบไม้มนุษย์ทั้งหลายพากันตําหนิพระนามพลธนาว่าเหมือนพวกครานเนื้อภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเข้าจำบรรษาบนค่าโคบไม้รูปใดเข้าจําต้องอาบัดทุกข์เรื่องเข้าจำบรรษาในที่แจ้งสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจําบรญษาในที่แจ้งเมื่อฝนตกพากันวิ่งเข้าโขลไม้บ้างชายคาบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเข้าจำบรรษาในที่แจ้งรูปใดเข้าจำต้องอาบัติทุกกฎเรื่องภิกษุไม่มีเสนาสนะจำพรรษาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่มีเสนาสนะเป็นที่เข้าจำพรรษาเดือดร้อนเพราะความหนาวบ้างความร้อนบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่มีเสนาสนะ ไม่พึงเข้าจำพรษารูปใดเข้าจำพรรษาต้องอวดทุกขกดเรื่องเข้าจำพรรษาในกระท่อมผีสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจำพรรษาในกระท่อมผีมนุษย์ทั้งหลายพากันตําหนิประนามโผล่ธนาว่าเหมือนพวกสเปลือยภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเข้าจำบัญสาในกระท่อมผีรูปใดเข้าจำต้องอบัตรทุกกฎเรื่องเข้าจำบัญสาในร่มสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจำบัญสาในร่มมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนพวกคนเลี้ยงโคภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงเข้าจำบัญสาในร่ม รูปใดเข้าจําต้องอาบัตรทุกกฎเรื่องเข้าจําภาษาในตุม่มสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจำํำภาษาในตุม่มมนุษย์ทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพลธ น, นาว่าเหมือนพวกเดียร์ถีภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเข้าจำํำภาษาในตุม่มรูปใดเข้าจําต้องอาบัติทุกกฎ